สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสมิงที่บ่อพลอยเรื่องราวย่ว่าเมื่อครั้งกึ่งพุทธกาลเรื่องราวของเสือสมิงที่บ่อพลอยก็ถือได้ว่าเป็นนาถันป่าดงดิบอันน่าสะจดสยองที่ชาวบ้านจดจันกันมาถึงลาดย่าและแพร่หลายไปยังตัวเมืองกาญจน บ, บุรีขณะนั้น แม้ว่าจะเป็นกิ่งอำเภอแล้วแต่บ่อพลอยก็ยังค่อนข้างจะทุรั ก, กันดานนักจากลาดหญ้าเข้าไปก็มีแต่ป่าดงหนทางคดเคี้ยววกเวียนไปมาตามธรรมชาติมีแต่รถสูงแล่นผ่านไปมามีชุมเผาถ่านเป็นระยะระยะลึกเข้าไปก็มีชุมตัดไม้และทำไล่เลื่อนลอย ปลูกกระท่อมอยู่ห่างๆกันเขตสองสามหลังเสือและช้างยังเป็นเจ้าถิ่นวันดีคืนดีเจ้าจมูกยาวก็บุกเข้าไปทำลายกระท่อมราบเป็นหน้ากลองใครจะเข้าบ่อพลอยต้องแยกจากเส้นทางรถสูงแล้วย่ำป่าไปเกือบสิบกิโลเมตรกว่าจะถึงปากทางเห็นถนนลูกรังสีแดงเส้นเดียวตัดตรงซ้ายมือเป็นหมู่บ้าน ในห้องแถวเคลือบฝุ่นกับร้านค้าขวามือเป็นที่ทำการหลวงมีบ้านพักกระจายอยู่ราวสี่ห้าหลังมีรถกระบะขนของกินของใช้จากจังหวัดมาส่งที่นันอาทิตย์ละสองครั้งคือวันจันทร์กับวันพฤหัสวันนั้นก็จะมีโอเลี้ยงกาแฟเยน็นชายเย็นกินกันเพราะมีน้ำแข็งเข้ามาส่งด้วยวันไหนมีการฆ่าหมู ซึงต้องเสียค่าอาเจยนบัตร50บาทไม่ว่าจะเป็นพวกกระเรียงบนเขาหรือบ้านไหนก็ตามชาวบ้านที่รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อวานจะเดินบ้างขี่จักรยานบ้างมาซื้อหมูถึงที่นี่แต่เช้าตกสายก็ขายหมดเกลี้ยงไม่ว่าเครื่องในหมูหรือแม้แต่เลือดหมูวันนั้นที่ร้านกาแฟก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูขาย บ่อพลอยแวดล้อมไปด้วยขุนเขาลำเนาไพลชาวบ้านส่วนหนึ่งก็แบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์ตีพึ่งหาสมุนไพรโดยเฉพาะหน่อไม้ถือว่าเป็นอาหารสำคัญเพราะจะมีหน่อไม้ลวกต้มใบหญ้านางหาบขายพอๆอกับน้ำข้าวไม่มีอะไรก็เอาหน่อไม้จิ้มเต้าเจี้ยวกินกับข้าวได้ทั้งบ้านมีน้ำพริกผักสด ผักต้มแถมด้วยเนื้อเค็มปลาเค็มและก็มีแกงส้มผักหม้อก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแล้วจูๆ่ๆก็เกิดมีข่าวใหญ่ไหวาลายขนาดแปดศอกมาคาบชาวบ้านที่เข้าป่าไปกินสองคนคนแรกก็ยังพอว่าแต่เมื่อตามไปเจอซากศพคนต่อมามีปืนแก๊ปตกอยู่ใกล้ซาก ที่แทบจะเหลือแต่โครงกระดูกก็รำลือกันไปต่างๆนานาว่าเป็นเสือเจ้าบ้างเสือสมิงยิงไม่อยู่บ้างจนถึงกับบอกกันว่ามันคงเป็นเสือลำบากล่าคนง่ายกว่าล่าสัตว์อื่นบางคนก็เชื่อว่ามันได้ลิ้มเนื้อมนุษย์แล้วเกิดติดใจใครเข้าป่าต้องระวังเงาหัวให้ดีๆเพราะไม่รู้ว่าเจ้าป่า จะมาดักซุ่มอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้ตัวมัวแต่ตกใจได้ยินเสียงโหกเขาใสมีหวังมืออ่อนตีนอ่อนโดนมันขย่ำคอหอยลากไปกินเอาง่ายๆปัญหาอยู่ที่ว่าเสือโครงตัวนี้มันมาจากไหนบางก็ว่ามาจากศรีสวัสดิบางก็ว่ามาจากเขตอุทยกับทุ่งใหญ่นเรสวร เพราะได้ข่าวว่ามีพลานป่ากับพลานกรุงเข้าไปล่าสัตว์กันคึกคักพวกเสือช้างวางเก้งก็เตเลิดหนีตายกระจัดกระจายมาถึงป่าบ่อพลอยชาวบ้านแทบไม่เป็นอันทมาหากินเมื่อได้ข่าวว่ามีคนเห็นมันมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆบ้านทิ้งรอยตีนขนาดจามคมไว้ขา่าขวัญ ค่ำคืนได้ยินเสียงร้องมาจากป่าดงฟังแล้วสยองใจปลาหนึ่งมันร้องอยู่หน้าบ้านก็ปานกันมีการจัดคณะล่าเสือกินคนขึ้นมาตาแก่นพลานใหญ่เป็นหัวหน้าเจ้ากิ่งกับเจ้าดันอาสาตามไปล่าเสือด้วยคิดว่าได้การแน่เพราะเพิ่งได้ข่าวว่ามันลงมากินน้ำที่หนองเบี้ยเมื่อคืนก่อนนี่เอง ขณะที่กําลังตะเตรียมกันอยู่นั้นสาวเดือนวัย17ปีออกไปหาหน่อไม้ไกลๆบ้านก็โดนไอไลายลากไปกินแล้วชาวบ้านได้ยินเสียงหวีดร้องรีบเข้าไปช่วยแต่ก็พบแค่กองเลือดเท่านั้นเจ้าดันแทบคลั่งใจตายเพราะสาวเดือนเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องของมันเองรีบไปกันเถินนักแก่นไอกิง ถ้ายิงมันไม่อยู่ข้าสาบานว่าจะไม่กลับมาเหยียบบ่อพลอยอีกเด็ดขาดเป็นอันว่าทั้งสามคนออหอบหิ้วปืนผาหน้าไม้ไปสเสบียงกลางพอสมควรเข้าป่าในวันรุ่งขึ้นมันอกมั่นใจว่าเสือกินคนอย่างป่วนเปลี่ยนอยู่แถวนั้นอย่างแน่นอนคืนแรกเท่านั้นพ่านทั้งสก็เจอดีเข้าอย่างจัง ป่าเปลี่ยวมืดดำล้อมรอบกายมีแต่กองไฟพอกันหนาวกับป้องกันภัยเจ้าดันพึงรับยามต่อจากเจ้ากิง่งผู้เข้านอนห่มผ้าอยู่ข้างๆพลานแก่นตายรมว่ารุนฟืนเข้ากองไฟจนลุกโผลงเสียงดังเปลี้ยเปลี้ยเจ้าดันวางปืนไว้ข้างตัว และมวนยาสูบแก้ลำคาลลมดึกคล่ำครวนวูวิวมาตามยอดไม้เสียงเก้งร้องแป๊บดังขึ้นใกล้เสียงคล้ายผู้หญิงร้องเพลงก็ดังแสกขึ้นมาสะกดความรู้สึกให้พลามืนพระหนึ่งต้องมนต์สะกดมองหาว่าใครกล้ามาร้องเพลงในป่าดงยามนี้ ก็พอดีมองเห็นเต็มตาสาวชาวป่าผมยาวร่างอ่อนแอเดินลุยนาดเข้ามาแต่เมื่อเปลวไฟฮือโหมตามแรงลมเข้าไปหาก็ชะงักยกแขนป้องกันไอร้อนและควันไฟเจ้าดันจ้องมองพลางร้องถามไปว่าใครสาวนั้นลดมือลง ยิ้มหวานหน้าแดงระเรื่อโดยแสงไฟเต้นบูบวาบเห็นถนัดตาเดือนเจ้าดันลุกพลวดพลาดขึ้นยืนเองยังไม่ตายสาวเจ้าสายหน้าพลางกวักมือเรียกญาติผู้พี่เข้าไปหาเจ้าดั น, ดนก็รีบตะหลาไปด้วยความดีใจลืมปืนคู่มือเสียสนิทสนม พลานแก่นหูตาไวตามวิสัยพลานก็ลุกขึ้นมามองเห็นภาพตรงหน้าก็ร้องลั่นไอ้ดันอย่าไปนะมึงแต่ช้าไปแล้วเจ้ากิ่งลุกขึ้นมาร้องเอะอะพร้อมๆกับเสียงเจ้าป่าคำรามลั่นตามด้วยเสียงตะโกนด่าบ้าคลาั่ง ชุลมุนวุ่นวายดูสับสนอยู่ในแสงไฟวูบว่าปไปมาตามแรงลมไม่หยุดย่อนพรานแก่นกับเจ้ากิ่งคว้าปืนขึ้นมาแต่ยังไม่ทันจะออกวิ่งตามเจ้าดันก็โซซัสโซเซกลับมาเลือดเป๋าหน้ากับท่อนแขนในมือยังกลุ่มมีดด้ามยาวไว้แน่นผีนางเดือนมันคลางก่อนจะทิ้งตัวลงนอนหงาย หายใจระรวยขานึกว่าคนที่ไหนได้ละ่ะพอเข้าใกล้กลายเป็นในลายโฮกเข้าใส่เกิดมายังไม่เคยเห็นในลายที่ไหนแต่ตัวใหญ่เหมือนวัวเหมือนควายขนาดนี้ถ้าไม่ได้มีดเล่มนี้ช่วยไว้ข่าคงไม่รอดแน่ๆตาแกนปลาดเข้าดูแผลด้วยความห่วงใยเห็นว่าไม่หนักหนาอะไรก็ให้มันนอนพัก แกรับอาสาเฝ้ายามไปจนแจ้งรุ่งขึ้นเจ้าดันยิ่งนิ้วหน้าขบกลามคำรามเบาๆอยู่ในคอไม่หายแค้นเคืองเจ้ากิ่งขูงข้าวกินและก็ออกติดตามรอยเสือที่ย่ำเป็นเทือกอยู่ไม่ไกลนักครั้นตกสายพลานแก่นก็ชีให้ดูรอยใหม่กระซิบกระซาบว่าให้เตรียมตัว เสือสมิงคงอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่เลยเที่ยงแล้วก็ยังไม่มีวี่แววอะไรเลยรอยตีนม้าหืมมานำหน้าให้ออกตามดูวนไปวนมาราวกับเสือเจ้าเล่จะวางกับดักหรือเป็นฝ่ายหาโอกาสล่าพลาเอาเสียเองแล้วรอยตีนนั้นก็หายไปที่ลำธารตื้นๆไหลรินลับหายไปในสุ้มไผ่ที่โน้มลงมาหากันทั้งสองฝั่ง ราวกับจะบดบังความลี้ลับของป่าดงอาถรรพ์ไว้อย่างมิชิดตลอดกาลเจ้ากิ่งลุยน้ำขามฝากไปสำรวจดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาสายหน้าพลานแก่นเกาหัวอย่างอัศจรรย์ใจแต่เจ้าดัดเงยหน้าเหลียวซ้ายแลขวาเงี่ยหูฟังเสียงผิดปกตินอกจากเสียงน้ำซอกแก่งหิน คลั้นแล้วก็บุยปากไปทางขวาเห็นอ้อยช้างยืนต้นแผกกิ่งใบร่มคืมไม่ห่างจากสมกอไผ่นั่นนักเสือสมิงเจ้าเล่ลงลุยน้ำไปและย้อนขึ้นมาฝั่งเดิมโดยผีสิงเข่าโดนใจมันพลานแก่นพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ก็ชับปืนขึ้นเตรียมพร้อมแยกย้ายกันเข้าหาเสือร้าย ที่อาจจะซุ่มซ่อนหาโอกาสกระโจนเข้าใส่ได้ทุกขณะจิตเจ้าดันลับตาไปแล้วป่าทั้งป่าเงียบงนันพลานแก่นแถบกลั่นหายใจจ้องเป๋งไปที่สมไม้รกทึบใกล้ต้นอ้อยช้างสะดุดผางจนหัวขำมำเจ้าดันทลันออกมาเต็มตัว พลานแกนตั้งหลักได้ก่ประทับปืนเข้ากับบาเหนี่ยวไกเจ้ากิ่งตามมาร้องเสียงลั่นยิงผิดแล้วนั่นไหมดันพร้อมๆกันนั้นก็มีเสียงคำรามเหมือนฟ้าผ่าเจ้ากิ่งยืนตะลึงอ้าปากค้างเมื่อเห็นเจ้าดันกระเด็นออกไปเสือคล่งตัวมะหึมา หกสนั่นกระโจนเข้าใส่พลานแก่นซัดตูมเข้าไปอีกนัดร่างนั้นก็หลนลงมาสิ้นริษเจ้ากิ่งหน้าซีดเข่าอ่อนคล้ายจะเป็นลมนักแก่นยิงไอ้ดันแล้วไอ้ดันกลายเป็นเสือจะขย้ำเราตายนักแก่นรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ไอ้ดันพลานแก่นยกหลังมือปาดเหนือที่หน้าผาก บุยปากไปที่โคนไม้ใหญ่ก่อนถอดใจทำไมสะดุดไอ้นั่นซะก่อนข้าคงจะโดนเสือสมิงขบหัวตายหงยไปแล้วเจ้ากิ่งก้มลงมองร้องเสียงหลงก่อนที่จะล้มตัวลงนั่งอย่างสิ้นเรียวแรงเมื่อเห็นซากศพของเจ้าดันถูกกัดกินเวอะวะหน้าท้องถูกฉีกกระชากเลือดแดงเถือกมดคันไฟโยเ ย, ยกับมแมลงวันตอมหึง นี่ก็คือเรื่องราวเสือสมิงที่บ่อพลอยที่กลายเป็นตำนานตั้งแต่นั้นสืบมาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซั s c ไคร e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ